ขอความเจริญในธรรมจึงมีได้ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทายาลัยศรีปรทุมกำลังนำเสนอพยะเพราวสูตรคือพระสูตรที่ว่าด้วยความกลัวและก็สาเหตุให้เกิดความกลัวที่พระพูทมีภาคเจ้าทรงแสดงแก่ท่านชานุโสนีพราหม์เมื่อเสด็จประทับอยู่ที่ประเชตะวันกลายกรุงสาวัตถี ก็ได้ดำเนินมาจึงถึงช่วงปลายของพระสุทที่เราสั่งแสดงมาโดยลำดับก็คือพระญาณข้อสุดท้ายที่เรียกว่าอาสวัคยานแปลว่าพระญาณที่ทำอาสวะกิเลสให้หมดไปสิ้นไปจากพระไทยของพระองค์รับสั่งข้อความเมื่อเดินคือสภาพพระไถ่เหมือนเดิม แต่นอนคำเนี่ยมันเหมือนเดิมแต่โดยสภาพจิตเนี่ยมันมีความประณีตลึกซึ้งขึ้นไปอีกเป็นอันมากวันภาษาที่สื่อเนี่ยมันก็ภาษาสื่อได้ระดับหนึ่งแต่ว่าสภาพจิตเนี่ยเป็นเรื่องของผู้นั้นจะรู้เห็นเองว่าจิตระดับปุเพนวาสาตญาณมันก็มีความประณีตระดับหนึ่ง อีกระดับติวตัวปารติยานก็ประนีตขึ้นไปอีกระดับหนึ่งพอถึงอาสวัคยานก็เข้าถึงความสมบูรณ์เต็มเปี่ยมไม่มีมลทินใจแม้แต่เพียงนิดเดียวของพระพุทธเจ้านั้นทรงละได้ทั้งกิเลสและวาสนาแต่ว่าภาษาที่ทรงใช้สื่อใช้คำเดิมนะฮะ รับสังว่าเรานั้นเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผองแพ้วไม่มีกิเลสปราศจากกิเลสอ่อนโยนควรแก่การงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้น้มน้อมจิตไปเพื่ออาสวัคยานความรู้ชัดตามความเป็นจริงว่าคือพอตั้งใจกำหนดจะทำให้กิเลสมันหมด เพราะกิเลสนั้นเป็นเหตุแห่งกรรมแล้วก็เหตุแห่งสังสารวัตรต้งเห็นความไม่มีที่สิ้นสุดของสังสารวัตรมันหมุนเป็นวงกลมอยู่ตลอดกิเลสกรรมไมบาปกิเลสกรรมไม่บาป ก, กิเลสกรรมไมบากมันก็หมุนอย่างเงี้ยอัญหาจุดจบไม่ได้เพราะนั่นจึงปรารถนาที่จะหลุดพ้นจากวงจรตรงนี้ก็ทรงพิจารณาเห็นว่ากิเลสนี่ยแหะเป็นตัวใหญ่ ปเป็นเหตให้จิตมันเลื่อนไหลไปตามกระแสของสังสารวัฏผนตัวพระยานก็เกิดผุดขึ้นทีในการผุดขึ้นของพระยานตรงนี้ในการต่อมาเวลาทรงแสดงเนี่ยก็มีชื่อเรียกองค์ธรรมเหล่านั้นแต่ก่อนที่พระเจ้าจรัรต้รเขาก็ไม่มีชื่อมันเป็นสภาวธรรมเฉยๆ ที่เกิดขึ้นภายในจิตก็ส่งบัญญัติเรียกตามสภาพของเขาก็เป็นอนิมมัคตองแปดประการกดังกล่าวที่จะความสมบูรณ์ของอนิมมัคตงแปดประการเนี่ยมันก็่อให้เกิดสิ่งที่เรียกว่ายานตรงนี้เกิดผุดขึ้นแล้วก็ทำให้รู้ชัดเจนว่า นีิทุกนี้ทุกสมุทยัยนี้ทุกกนิโรดนี้ทุกกนิโรตกาไม่ดีปฏิปทาแล้วก็นี้อสุาเนีเ่เกิดก่อนสวะเป็นต้นเนี่ยความรู้ตรงนี้ตอนที่ทรงอธิบายในธรรมจักรวัฒนสูตรท่งอธิบายว่าจากักกุญญาปัญญาวิชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแกเราในธรรมที่เราไม่เคยรู้เคยเห็นมาในการก่อนว่า นี่เป็นทุกข์นี่เหตุเกิดแห่งทุกข์นีความรับทุกข์นี่ข้อปฏิบัติให้ถึงซึ่งความรับทุกข์ในประสูนยนั้นแหละทรงใช้คําว่าทรงนี้ว่าสัจจ ย, ยานครู้สถานะที่แท้ จ, จริงของอริยสัจแต่ละข้อว่าอะไรเป็นอะไรทีนี้กรอบข้องคำว่าทุกข์กรอบข้องคำว่าสมุทยัยกรอบข้องคําว่านิโรธและกรอบข้องคําว่ามรรคเลย มันก็จะมีการนิยามออกไปเรียกในการภายหลังว่าโสลสกิตรกิจ16กที่เกิดขึ้นในอาธิตั์ทั้งสี่อย่างละสี่ข้อคือทุกอริยศัทเนี่ยเมื่อเ็าเกิดขึ้นแล้วเขาจะมีกิจคือหน้าที่คือทำงานในสี่สถานะข้อหนึ่งก็ ปัจจัยปรุงแต่งเราเห็นว่าความเกิดเนี่ยมีปัจจัยปรุงแต่งหลักก็คือกิเลสกรรมแล้วสร้างขึ้นเป็นวิญญาณแล้วก็กลายเป็นนามรูปก็แสดงว่าถ้าขาดปัดจจัยสักอย่างมันก็เกิดขึ้นไม่ได้ซช่งกิเลสดับกรรมก็ดับวิญญาณก็ดับนามรูปก็เกิดขึ้นไม่ได้ที่จริงจริงๆแล้วนามรูปไม่มีให้ดับโดยซ้าไป พระวนาบรรปมันเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการรวมตัวของกิเลสกรรมแล้วก็วิญญาณพอเกิดขึ้นแล้วก็เขาเรียกอัตถวเบียดเบียนมีการแผดเผาก่อยเกิดความร่าร้อโดยประการต่างๆเพราะน้ในยะหนึ่งก็คือว่าร่าเร้อราเร้อตัวเนี้ยที่เราเรียกว่าทุกเขาเรียกว่าทุกขเวทนาคือมีอาการราเร้อ แล้วก็แปรปรวนคือจะไม่อยู่นิ่งคือจะเลื่อนไหลไปเรื่อยๆอันนี้ก็เรียกว่ากิตในทุกขัสัตพอมาถึงสมุทัยสัตต์แต่ตัวทุกขัสัตย์นั้นก็อย่างที่ทราบเนี่ยมันเป็นเป็นปรากฏการณ์ของธรรมชาติที่เขาเป็นอย่างที่เขาเป็นนะ่ะมันจะไม่เปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่น ตัวหลักจริงๆก็คือเกิดแก่ตายนะ เ, เจ็บที่เขาถือว่าทุกข์จรไม่ใช่ทุกจริงแล้วตามปกติแล้วเราก็ไปยึดออกมากเกินไปโดยซับไปต่อจากนั้นมันจะเชื่อมโยงกับความรักส่วนใหญ่เช่นความสุขความ ร, ำร่ำรวยรำพันความทุกข์ความเสียใจความกับแค้นใจ การต้องการต้องการจะได้อะไรและไม่ได้ตามต้องการหรือว่าสิ่งที่ตนครอบครองไว้เปลี่ยนแปลงไปตลอดถึงความคับแค้นใจแต่ว่าตอนนี้มันเป็นสิ่งที่จิตไปยึดด้วยอำนาจของอุปอาทาน ปัญหาเนว่าการพลาดพลาดสูญเสียถ้าเกิดขึ้นแก่คนซึ่งเราไม่รู้จักเนี่ยเราไม่ได้ทุกข์อะไรก็แสดงว่ากาการที่มันเกิดทุกข์เนี่ยเรารู้สึกว่าเป็นเราเป็นของเราเ ป, เป็นตัวเป็นตนของเราต้นตัวตัวทุกขษัตริย์เกิดแก่ตายเนี่ยเป็นหลักคือสากลตัวไปแก่สับไปชีวิตทั้งหลาย ในขณะเดียวกันก า, การแผดเผาก็ดีการแปรปวนก็ดีมันก็ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยเฉพาะบุคคลคนเราก็มีสุขมากมีทุกมากมีสุขน้อยมีทุกน้อยก็แล้วแต่แปรปวนมากแปรปวนเร็วนะแปรปวนช้า ก, ก็แล้วแต่เช่นแก่อย่างเงี้ยก็มามีญาติผู้ใหญ่อ ย, อยู่สองท่าน จริงตอนนี้มีฝ่ายเขยสาภานะมีฝ่ายเขยสาภายอยู่สองคนก็8ปดสิบขึ้นเกนี่มีอยู่สาท่านคนหนึ่งร้อยกว่านี่ตายไปแล้วคนหนึ่งตอนนี้99คนหนึ่งรู้สึกจะ96้าสหคนหนึ่งดูจะเก้าสห้านะก็ยังแข็งแรงความจำอะไรอย่างดี ทนที่เก้าสิบเก้าคนที่เก้าสิบเก้านี่ยว่างๆท่านยังโทรมาคุยบ่อยก็ยังดีใจเออคนเก้าสิบเก้าเนี่ยไม่ใช่เล่นนะเวลาไปาไปเยี่ยมเนี่ยลุกขึ้นมาเน่ยลุกขึ้นม า, เ, นนมาเดินมาหาเลยแล้วก็แสดงว่าในตัวความแก่เองมันก็แก่มากแก่น้อยไปตามเหตุปัจจัยคนบางคนก็8ปดสิบป่าก็ลงแนละ้ว บางคนก็อยู่ยืนมาอย่างเงี้ยโดยไม่หลงอะไรเลยเพราะองค์ประกอบเหล่านี้เราเห็นชัดเจนว่ามันมีอะไรอยู่เบ้างหลังกรรมกรรมอยู่เบ้างหลังเป็นกรรมอดีตบด้วยกรรมในปัจจุบันด้วยที่มีการรนรงกันมากในปัจจุบันเนี่ยก็มุ่งไปในแนวของการบรรเทาทุกข์ทีนี้ สมุทัยอริยสัตว์หรือทุกขะสมุทัยเรียกเต็มที่นะฮะเรียกว่าทุกขะสมุทัยตัวาสาเหตุเกิดแห่งความทุกข์เขาก็มีกิจมีหน้าที่ไปเกิดขึ้นแล้วก็คือจะเขาเนี่จะเป็นเหตุได้เกิดของทุกข์มันคล้ายๆกับไฟที่เป็นเหตุให้เกิดความร้อนเนี่ยตามได้มีไฟมันก็ต้องร้อนเนี่ถ้าไม่ต้องการร้อนก็ต้องไม่มีไฟ เพราะมันแยกกันไม่ได้ระหว่างไฟกับความร้อนกับแสงสว่างเป็ น, น้ำแข็งก็ต้องเย็นน่ะมันแยกความเย็นจากน้ำแข็งไม่ได้เพราะความทุกข์กับสมุทัยเนี่ยแยกจากกันไม่ได้เ้าไปด้วยกันก็เกิดดับด้วยกันท่านยังบอกว่าอัตถว่าให้เกิดกองทุกข์อัตถว่าเป็นเหตุแห่งทุกข์แล้วในขณะเดียวกันตราบใดที่เขายังอยู่ในสัตว์ไม่สามารถจะหลุดรอดไปได้ เขาจึงเหมือนกับเป็นกรงขังที่ขังสัตว์ไว้ในสังสารทุกข์คือสังสารวัฏนะนะฮะก็เรียกสังสารทุกข์เพราะมันขับเคลื่อนด้วยความแก่ความเจ็บความตายแล้วก็สัตว์ก็ติดอยู่ในกรงคือเรือนจำได้แก่สังสารทุกข์นิโรธสัตว์เป็นผลซึ่งเกิดขึ้นมาจากการ ภาณารีมากให้สมบูรณ์สมุทยก็ดับไปอย่างสิ้นเชิงทุกกรก็ดับไปอย่างสิ้นเชิงจิตก็เข้าถึงนิโรธตอนนิโรธเป็นผลซึ่งอย่างอ่อนๆเราก็สามารถสัมผัสได้ระดับหนึ่งนะแต่ไม่ใช่นิโรธแท้เป็นนิโรธชิมคือทดลองอันว่าออกจากอุปธิอุปธินั้นมีความหมายหลายอย่าง กิเลสูปัติอุปัติคือสัพปกิเลสทั้งหลายนี่เรียกว่าอุปัติอุปัติที่เป็นส่วนเหตุสังขารูปัติอุปัติคือสังขารทั้งหลายทั้งที่มีใจครองและไม่มีใจครองนะเป็นผลมาจากกิเลสกรรมูปัติอุปัติคือกรรมเราแสดงว่ากรรมเนี่ยมันก็เกิดขึ้นมาจากกิเลสแล้วก็ขันธูปัติอุปัติคือขันธ รูปไปธนาสัญญาสังขารวิญญาเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือพวกนี้ก็เป็นเป็นเหตุเป็นปัจจัยของการอะไกันเพราะฉะ น, นถ้าเองกิเลสู ป, ปัจฉิเขดับในอย่างอื่นก็ดับไปอื่นก็เป็นผลที่ต่อกันมาเพียงแต่ว่ามันอยู่ในกลุ่มเดียวกันการใช้คำว่าอุปชี้อาจจะหมายถึงตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นก็แล้วแต่ เป็นปรยายเทศนาคํคำเดียวเนี่ยใช้เป็นสื่อแทนกรรมก็ได้แทนขันก็ได้แทนสังขารก็ได้แทนกิเลสก็ได้แล้วก็เมื่อมันออกจากอุปธิมันก็สงัดแต่กิเลสเพราะไม่มีกิเลสกิเลสภายในไม่มีมีตัวกระตุ้นจากข้างนอกเพื่อเกิดกิเลสมันก็ไม่เกิดคกล้ๆกับมแมลงวันหยอดไข่ในกระจก ไข่ค้างมันก็ตายไข่แมงวันก็ตายผลอารมณ์ที่ยั่วยวนด้วยยุอะไรต่างๆที่มาจากโรคอารมณ์โลกทั้งหลายโล ก, กิยาลมทั้งหลายเนี่ยกระทบจิตพระอราหันต์กระทบทาตาหูจมูกลิ้นกายใจของพระอราหันต์เหมือนกันเรียกว่ากระทบตาหูจมูกลิ้นกายเหมือนกันแต่ไม่กระทบใจเพราะใจทั้งก็สักแต่ว่าคือตกไปจากใจ เราสังเกตลักษณะการตกไปจากใจเนี่ยมันก็อยู่ที่ว่าเรามีกิเลสนั้นอยู่หรือไม่เนะช่นว่ามีคนมาด่าด้วยภาษาจนีนเราฟังไม่รู้เนี่ยเราก็ไม่เกิดโทรสะคนมายกย่องชื่นชมเราด้วยภาษาอุรดูเนี่ยเราก็ไม่ยินดีเพราะไรเพราะเราไม่มีเชือ้อความรับรู้ว่าภาษาอุรดูที่เขาพูดอย่า ง, ง น, นั้นหละหมายถึงการยกย่องเนี่ยเราก็ไม่รู้ันก็แสดงว่า ตัวในเนี่ยจะมีความต้องการกว่าตัวนอกเป็นการดับที่ตัวในไม่ใช่ดับที่ตัวนอกให้เราสังเกตนะฮะเอาทุกเองมันก็อยู่ที่จิตสมุทัยเองก็อยู่ที่จิตแต่พอมรรคสมบูรณ์เนี่ยทุกสมุทัยดับไปจากจิตจิตก็เข้าถึงนิโรธเขาเรียกว่าเป็นเป็นโล ก, กุตรจิตคือจิตที่พ้นไปจากกระแสของโลก มีแรงกระแทกกระทบอะไรก็ตามข้างนอกจะไม่กระเทือนจะไม่หวั่นไหวปัจจัยปรุงแต่งไม่ได้ผลตาบใดที่ปัจจัยปรุงแต่งได้เนี่ยตาบนั้นจะต้องไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาแต่พอ ป, ปัจจัยปรุงแต่งไม่ได้มันก็เป็นเฉพาะอนัตตาอนัตนานั้นมันหมายความพูดางว่างจากปัจจัยทั้งหลายนะ เพราะท่านเรียกว่าสังคตธรรมอสังคตธรรมคือธรรมทีท่ปัจจัยบุงแตงไม่ได้แล้วก็สิ่งที่สัมผัสเนี่ยคืออามารุตรรสคือความไม่ตายเพราะไม่มีอะไรให้เกิดเมื่อมีอะไรเกิดมันก็ไม่มีอะไรให้ตายไม่มีตัวตนให้ตายข้อต่อไปก็คืออริยมรรคกิตของอริยมรรคเนี่ยคือ มีหน้าที่ขนสัตว์ออกจากสวัฏฏะวัตสงสา ร, รเราเห็นว่าศีลก็ยกขึ้นจากนรกนะฮะพอสมาธิก็ยกขึ้นอยู่ในพรหมโลกพอพรหมนิสมบูรณ์ก็เข้าไปสู่นิพพานเลยแต่ถ้าไม่เข้าสู่กระแสของมระดับศีลก็หล่นลงสู่นรกอบายทุกติวินิบาตนรก อสุรกายเพราะเราพบว่าคนที่ตกอบายเนี่ยคือคนที่ไม่อยู่ในศีลไม่มีศีลคือทุจริตทางกายทางาจใจเพราะพอศีลเมื่อก็กลายเป็นมนุษย์สมบัติเป็นสวรรค์สมบัติเป็นนิพพานสมบัติในโครงสร้างของอะเรียมกกัก น, นะฮะพอสมบูรณ์เนี่ยก็เป็นนิพพานสมบัติ ผลความสมบูรณ์ของอริยมรรคจึงเป็นเรื่องที่จะต้องใช้ความพยายามมากเพราะเขาเป็นเหตุแห่งนิพพานแล้วก็ทำให้เขาเห็นนิพพานเป็นความประจักษ์แก่ใจของท่านผู้นั้นเองเป็นอันที่ประดีคือความเป็นใหญ่ในวิมุตติญาทัศนะคือหมายความว่าความรู้ความเห็นว่าจิตเราหลุดพ้นแล้วเนี่ย มันจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าอดีมักไปสมบูรณ์เพราะันโครงสร้างเหล่านี้เราจึงพบเยอะในพะสูตต่างๆเจนรับสั่งว่าดูก่อนพิกูุทั้งหลายริยาสาวกผู้พิจารณาเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบือนนายในรูปเวตนาสัญญาสังขารวิญญาณเมื่อเบือนนายก็จะคลายกำนัดประคลายกำนัดจิตเกิดชพนเมื่อจิตพนก็เกิดยานผุดขึ้นมาว่าเราหลุดพ้นแล้วดังนี้จากนั้น จิตก็จะเกิดญาณรู้ว่าการหลุดพ้นของเราไม่คำเริกชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายพบใหม่ไม่ได้มีอีกต่อไปแล้วทีนี้ในตรงเนี้ยทรงใช้แตกต่างกันออกไปก็แล้วแต่นะฮะคือบางครั้งทรงใช้คมอาสวะเหตุเกิดของอาสวะความดับอาสวะและข้อปฏิบัติได้ถึงซึ่งความดับอาสวะตรงนี้ทรงใช้ซ้อนทั้งสองอย่าง คือหมายความมาใช้อริศสัตร์ด้วยแล้วก็ใช้อาสวะด้วยเราสั่งว่านี้คืออาสวะอาสวะในที่เนี้ยที่จริงแล้วเนี่ยไปเน้นที่ตัวตัวกิเลสตัวกิเลสซึ่งเป็นตัวอาสวะก็ส่วนใหญ่จะสามนะพูดอาสวะสาม ตามปกติที่ใช้เรียกอสะวะก็มีอยู่สามกับสี่แต่โดยมากแล้วจะพูดสามคือกอารอสวะอค์อสวะคือการภ า, า, าวาสวะรคอสวะคือพบอวิชาสะวะอค์อสวะรคืออวิชาเพื่อเจนว่าตัวอสวะเนี่ยมันก็เป็นได้ทั้งสองอย่างแค่แคกิเลสกามแค่แค่กักามนะคือเป็นทั้งกิเลสกามแล้วก็ทั้งตัววัตถุกรรม การมาสวะนั้นตัววัตถุกามนั้นเป็นเป็นโลกวัตถุทั้งหลายเนี่ยเพราวาสวะเองก็เป็นโลกวัตถุทั้งหลายตัวตั ว, ต, วตัวสิ่งที่จิตมันเกิดเกิดความกำหนัดรักใคร่พอใจยินดีอะด้วยอำนาจของอาสวะนี้เหตุเกิดของอาสวะนี่อาสวะสมุทัยคือเหตุเกิดของอาสวะโดยเห็นว่าพวกเนี่ยพวก อายตนาภายในภายนอกวิญญาณสัมผัสเวทนาตัณหาอุปาทานนะพวกนี้แต่ละอย่างก็เป็นเหตุเกิดอาสวะแล้วก็อาสวะนิโรธคือการดับไปของอาสวะอันนี้ในญาเดียวความหมายเดียวกันนิพพานเนี่ยความหมายเดียวกันนิพพานจะเรียกว่าอาสวะนิโรธคือว่านิพพานเนี่ยบางครั้งหมายถึงตัวดับกิเลส เช่นชื่อพระพุทธเจ้าสี่พระองค์แรกในพระพุทธเจ้ายี่สิบแปดพระองค์เนี่ยตันหังกะโรหมายถึงการทําลายตันหานั้นถึงการดับตัวสมุทัยนะฮะตันหังกะโรมหาวีโรมหาวีโรเป็นแสดงถึงความสมบูรณ์แห่งมรรคเมธังกะโรมหายโสมเมธังกะโรห ม, หมายถึงความสมบูรณ์แห่งมรรคกัคนมหายะโสก็ เป็ น, เ ป, นเป็นผลนะยศในที่นี้ก็เน้นไปที่เกียรติยศคือความดีงามสนังกะโรโลไฮโตปูกกระทำซึ่งที่พึ่งคือกูลตัวชาวโลกเป็นพระกรุณาคุณเป็นปัญญาคุณเป็นกรุณาคุณดีปังกะโรชุตินทโรอ่าปฏิที่พังกอเนี่ยกระทาซึ่งเกาะคือที่พึ่ง ชูตินทโรก็รุ่งเรืองนะเป็นผู้รุ่งเรืองด้วยด้วยพระปัญญาเนะีเพราะงั้นเราเนี่ยมันก็สะท้อนอะไรก็ได้สะท้อนความดับทุกข์ก็ได้สะท้อนการดับกิเลสก็ได้สะท้อนตัวตัวสุขตัวสงบตัวเย็นก็ได้ตัวว่างก็ได้ก็หมายถึงนิพพานด้วยกัน ทุกกานิโรธกาไมินีปฏิปทาก็คืออะไยมรกอย่างอื่นไปจากอรยมรกไปได้แหรอเพราะมันหมดที่ที่นั่นเองทีนี้รับสางว่าเมื่อเราเมื่อเรานั้นรู้เห็นอย่างนี้เราในที่นี้ก็คือสัพนานแทนพระองค์นะฮะจิตก็หลุดพ้นหลุดพ้นจากอะไร หลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายตรงใช้คําว่าแม้จากกามาสวะแม้จากภาวาสวะแม้จากอาวิชชาสวะตัวนี้เน้นไปที่ตัวกิเลสเป็นหลักแต่ว่าการกําหนดประเมินค่าของวัตถุเนี่ยมันเกิดจากกิเลสอาการพราะกิเลสซึ่งเป็นตัวประเมินค่ามันไม่มีวัตถุการมมันก็เป็นสักแต่ว่าวั ต, ว ต, วตวถุสักแต่ว่ารูปสักแต่ว่าเสียงสักแต่ว่ากลิ่นสักแต่ว่ารสสักแต่ว่าสัมผัส ไม่ก่อให้เกิดความยินดียินร้ายอย่างไดยกตัวอย่างว่าแมงมันหยอดไข่ในหินมันไม่เป็นไข่ขางไม่เป็นหนอนแต่ถ้าประโยชน์ในปลาในเนื้อมันก็เป็นไข่ขางมันเป็นนอนคอนตัวในเนี่ยตัวสถานะของของหินของปลาของเนื้อเนี่ยเป็นตัวกําหนดสําคัญตัวนอกไม่มีความสําคัญอะ่ะตัวนอกเป็นตัวผสมเฉย แม้แต่รวมโลกทั้งหลายที่เราสัมผัสในชีวิตประจําวันทั้งวามลองสังเกต่มีเยอะที่เราไม่ยินดียินได้เลยไม่ได้เกิดกิเลสแต่ก็มีเยอะที่มันเกิดธรรมะเห็นคนคนบางคนเราเกิดเมตตาเราเกิดกรุณาเราเกิดพุทธิตาเราเกิดอุเบกขาเราเกิดศรัทธาเราเกิดความคามพอรบเราเกิดความนับถือเราเกิดความชื่นชมมันเยอะนะฮะที่ไอ้เกิดธรรมะเนี่ยไม่ได้หมายความว่าทุกครั้งจะต้องเกิดกิเลสถ้าอย่างนั้นก็แย่แล้ว มีเยอะอารมณ์ที่เกิดธรรมะแต่ตามปกติเราไม่พูดเพราะมันไม่เป็นโทษอะไรเราจะพูดในส่วนที่เป็นโทษก็คล้ายๆกับการที่นักศึกษารับน้องเนี่ยรับน้องใหม่เนี่ยไอ้ที่ดีๆเนี่ยเขาไม่ว่าอะไรหรอกแต่ต้องนึกที่สำคัญที่สุดว่าเธอต้องมองนักเรียนรุ่นรุ่นหลังนะ ว่าเป็นน้องจริงๆตอนนึกดูว่าการใดที่พี่ควรทำต่อน้องก็ควรทำแล้วก็ลองเทียบเคียงดูว่าไอ้ที่เรารับน้องอย่างเนี้ยเราเคยรับน้องที่บ้านจริงหรือเปล่ามันมีกิจกรรมต่างๆเป็นนันมากที่มนุษย์เขาไม่ทำกันเนี่ยนอกจากอะไรล่ะนอกจากคู่สึกเข้าทรมานควายที่เป็นค่าสึกกับตัวเองคือเลยสึก ถ้าจะเทียบก็เทียบได้ทางนั้นเนี่ยเพราะ ง, งั้นมันมันต้องเลิกกิจกรรมเหล่านี้การสงศึกษาี่การต้องชี้นำความคิดที่ถูกต้องให้เธอถ้าคิดเป็นน้องต้องน้องจริงเมื่อคิดเป็นน้องต้องรักต้องคิดอนุเคราะห์่วงใยเอื้ออาทรอบุ้มคุ้มครองปกป้องรักษาอภิบาลน้องช่วยเหลือเกื้อกูลน้อง แต่ที่เขาถ่ายต่างโทรทัศน์มาเนี่ยมันไม่เห็นลักษณะของพี่ต่อ น, น้องเลยเป็นเรื่องของคนอารมณ์ที่ผิดปกติต้องการจะแก้แค้นที่ตัวเองเคยถูกทารุณกรรมมาแต่นั้นเองส่วนดีๆก็ทําไปเขาไม่ได้ว่าอะไรอันเป็นหน้าที่ของมนุษย์ที่จะต้องทําต่อมนุษย์อย่างเคารพศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์แต่ส่วนที่แสดงเห็นในการไม่เคารพศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์นะเขาติงเขาไมันฉิต เพราะในเรื่องเหล่านี้ก็เหมือนกันเราจะเห็นว่าในกรณีที่เป็นทุกเป็นสมุทัยเนี่ยมันเป็นปัญหาที่จะต้องถอยห่างเดี๋ยวดีอยู่แล้วก็ไม่ต้องยกย่องมันเป็นภาระแต่ในกรณีที่พระราชทานเสาเสมาธรรมจักในเทศกาลวิสาขาบูชาเนี่ยที่จริงหมาก็ให้ในยาตเข้าไปทุกคราวที่ประชุม คือบอกว่าการทำหน้าที่เหล่านี้พระท่านทำตามหน้าที่ของแท่นไม่จำเป็นจะต้องไปยกย่องท่านมากหรอกแต่นึกถึงชาวบ้านน่ะที่ก็ทำงานเหล่านี้ยก็ทำด้วยความเรสรียสละที่จริงก็เป็นหน้าที่ของเขาเหมือนกันแต่น้อยคนจะคิดว่าเป็นหน้าที่เพราะฉะนั้นถ้าเขาทำแล้วก็ควรจะยกย่องเขาแต่ก็ตัวเลขก็พระมากกว่าทุกทีแสดงว่า ชาวบ้านที่มาทำงานพระศาสนาเนี่ยมันก็คงจะน้อยนะฮะเพราะว่าวัานก่อนเนี่ยลองให้เขาคิดเปอร์เซ็นต์พระกับชาวบ้านปรากฏว่าพระอยู่ในศูนย์จุดหสามเปซของจำนวนประชากรทีนี้พอคิดไปคิดมาว่าพระที่สามารถเคลื่อนไหวทำงานอยู่ได้เนี่ย มีบทบาทต่อสังคมเนี่ยก็ตกประมาณเจ็ดแปดหมื่นรูปทั่วประเทศเนะฮะบอกพื้นที่ประเทศไทยเข้ามาตั้งแล้วก็น้อยนิดเหลือเกินเป็นจํานวนน้อยนิดเหลือเกินถ้าเป็นน้ําก็เรียกว่าทําพื้นประแฉะแฉะแต่นั้นเองเป็นบุคลากรที่น้อยมากพันธุ่าก็ทํางานก็าท่านเต็มที่แล้วนะแต่ก็ทําได้เท่านั้นน่ะ ทีนี้จิตที่หลุดพ้นเนี่ยมันมันบอกตัวเองนะฮะเป็นเขาเรียกเป็นปัจจตังวิตดบุมโยหิวิญูชนจะรู้ได้ด้วยตัวเองเพาจิตก็พ้นจากกามาสวะจากภวะสวะจากอวิชชาสวะอันสวะก็สามอย่างที่ว่านะฮะกามาสวะอันสวะคือกามภวาสวะสวะคือพบอวิชชาสวะอันสวะคืออวิชาแล้วก็ในกามเนี่ยมันมีทั้งกิเลสแล้วก็มีทางวัตถุ ในภพก็เหมือนกันเนี่ยตัวภพเนี่ยตัวภพก็อุปาทิภพคือภพอที่สัตว์ไปเกิดเนี่ยเป็นวัตถุกรรมแต่ตัวสังขารแะภพคือบุญบาปอนเนินชาที่เป็นเหตุให้เกิดในภพเนี่ยมันก็เป็นก็เรียกว่าปนกิเลสอยู่นไะคือมีกิเลสปนอยู่ไม่ใช่กิเลสล้วนๆหรอกมันมีธรรมะอยู่แต่ว่าท่านก็เรียกอยู่ในกลุ่มของอภิชา อวิชาก็คือเมื่อความไม่รู้อริยสัจสี่ 4. ไม่รู้ได้ยานนะคือที่เรารู้เนี่ยมันรู้แบบปริยัติพะเรารู้ทุกแล้วเราก็ยังทุกรู้ส ม, มุ ท, ทยัโยโทษคนส ม, มุ ท, ทยัยเรายังมีกิเลสเรารู้นิโรธเราก็ดับทุกข์ไม่ได้รู้มากแต่เราก็ปฏิบัติไม่ได้ ไม่ต้องเอาอะไรหรอกฮะสมาวาจาสมากรรมตะสม า, สมาชีวะนี่สามข้อให้ได้โลกมันก็น่าอยู่เยอะแล้วหว่าจับฐานที่จิตให้เกิดสมาธิทิฐิให้ได้เนี่ยโลกมันก็สดใสแล้วแต่ในภาษสนาจริงๆเนี่ยมันไปไม่ได้ผล ค, คนส่วนใหญ่ที่พระเจ้าทรงแสดงว่าอปปกาเตมนุเสสุเยจนาปาริกามินโนอัธยังอิตราปชาติระเมวาโนทาวติ คนส่วนน้อยเท่านั้นที่ขึ้นฝั่งปณิพานได้คนส่วนใหญ่ก็ทำได้แค่เลาะเลอกฝั่งไปเท่านั้นเองทีรับสั่งว่าเมื่อจิตพ้นแล้วก็มียานย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจันทร์อยู่จบแล้วคำว่าพรหมจันทร์นั้นพูดง่ายๆว่าละจั่วประพฤติีมีการจาแนกว้ทั้งหมดสิบข้อด้วยกัน ส่วนใหญ่จะเน้นที่การประพฤติดีตั้งแต่นน้นมาเลยนะฮะตั้งแต่การให้ทานการ ร, รืต้ตนอ่อนน้อมถ่อมตนระบุคลทั้งหลายการช่วยเหลือขวนขวายกันในกิจที่ชอบการให้ทานาการรักษาศีลการซื่อสมกันระหว่างสามีพัญญาพัญญาเรียกว่าปฏิวัติสามีเรียกว่าสถาระสันโดษ เอาขนาดนั้นนะแล้วก็พรมิหารสี่สิ้ปแปดสีนอุโบโสถไปเรื่อยๆนะไปเรื่อยๆจนถึงอริมัเพวกเนี่ยพรหมจันทร์สรุปแล้วว่ากิเลสที่ควรละละหมดแล้วคือต้องไม่ไม่มีอะไรให้ละธรรมะที่จะต้องปฏิบัติทำได้สมบูรณ์แล้วการเคลื่อนไหวของพระพุทธเจ้าทั้งหมดเป็นลีลาแห่งธรรม เป็นธรรมลีลาเหการเคลื่อนไหวไปตามกระแสของกุศลรรเราลพระเจ้าจึงมีทั้งสอนใหูู้ทั้งทำให้ดูทั้งอยู่ให้เห็นมันเป็นธรรมะสำเร็จรูปคือสะท้อนธรรมออกมาที่จริงแนวตัวนี้มันก็มีปรากฏในที่ต่างหลายเยอะนะเช่นในอัตตกถาในอัตกถาธรรมบทก็ดีนะฮะเปตวัตถุก็ดี เทระคาถาเถริกาถาพุทธวงศจริยาบิดกอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะชาดกมันเป็นลีลากรรมลีลาธรรมเป็นธรรมสเมิจ ร, รูปมีการกระทาให้ดูแล้วมีการสอนให้รู้แล้วมีการทำให้ดูแล้วมีการอยู่เห็นแล้ว ถ้าใครทําตามพูดตามคิดตามท่านก็จะได้ผลในลักษณะอย่างเดียวกันเพราะโลกมันจึงมีทางสองทางทางนรกกับทางสวรรค์ก็เรียกสุกติกับทุกติทางนิพพานมันก็ไปเลยสวรรค์ไปแต่นั้นเองเรียกเต็มที่ก็ทางนรกทางสวรรค์ทางนิพพานสุกติทุกติแล้วก็นิพพานก็สภาพจิตลงเนี้ยเราจะเห็นว่าก็ยังรู้ว่า หลุดพ้นแล้วรัวชาติสิ้นแล้วพรหมจันทร์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทําเกี่ยวกับการละชั่วประพฤติดีเนี่ยหมดแล้วนะเพราะการกระทํางานทั้งหลายของพระพุทธเจ้าสี่สิบห้าปีเนี่ยไม่ได้บุญเลยนะ <S <S เป็นกิริยาเป็นกิริยาจิตเป็นศักด์แต่ว่ากิริยาท่านเด็ไม่เกิดบุญไม่เกิดบาปอะไรเพราะถ้ามีบุญบาปมันก็ต้องมีสังสารวัฏ การบรรลุมรรคผลได้บรรลุอาสวรรค์ญาเนี่ยมันดับได้ทั้งบุญทั้งบาตฮะบุญเลยดับไปด้วยเพราะบุญเป็นเหตุแห่งสังสารวัฏที่มันประนีตบุญเป็นเหตุแห่งสุขติบุญเป็นเหตุแห่งพรหมโลกชั้นต่างๆตอนบุญก็ต้องละด้วยแต่ไม่ละบุญบุญก็หน่วงเหนียวไปสู่สังสารวัฏ แาต่์ใดที่ยังเป็นตังสารวัตเนี่ยศาสต์นั้นมันมีชาติคือเกิดก็เป็นทุกข์แล้วก็มีแก่แก็มีตายเจ็บอาจจะน้อยหนอยนะฮะพบภูมิที่มันประดีษขึ้นไปในเจ็บน้อย่อยการพลาดพาน้อยๆน่อ ย, อยแต่ว่าเกิดแก่ตายเนี่ยมันยังไม่หายแล้วก็บอกว่าจิตอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มี ในความกิจทั้งหมดเกี่ยวกับการละ บ, บาปบำเพ็ญบุญนิจจบผลพุธกิจของพระพุทธเจ้าทั้งตลอดระยะเวลา45ปีเป็นโลกานนกรรมประกะคือเป็นการอุเคราะห์ต่อโลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่สิ่งมีชีวิตทั้งหลายสมทํางานในฐานะที่เป็นพี่ชายคนโตของชาวโลกเป็นที่พึ่งของชาวโลกเป็นผู้นําชาวโลก แต่คนจะถือตามปฏิบัติตามหรือไม่เนี่ยมันเกิดเรื่องของเขานะก็พูดยากคือยังนึกนะว่าวันก่อนฟังท่านคาดินันก็กำลังจะขอเทปท่านแล้วฟังท่านยุลาเดิตรีก็ว่ายังมองว่าอุดมกติของาศาสนาแต่ละาศาสนาเนี่ยมันมีเอกภาพอยู่นะ ถ้ามองจากฐานของสูงสุดเนี่ยฐานพระพุทธเจ้าฐานของพระเจ้าฐานของพระอันเลาะฐานของพระยาฮัวาเนี่ยมนุษย์ไม่น่าจะเบียดเบียนกันนระฝรย์พระพุทธเจ้าเนี่ถือว่าสรรปชีวิตเนี่ยเป็นเพื่อนกันเป็นพี่น้องกันแต่ว่ามันไม่เมื่อก็รับน้องของนักศึกษาบางกคนะ ทีนี้ศาสนาพระเจ้าเนี่ยก็ถือว่าสรรพชีวิตเนี่ยมาจากการสร้างของพระผู้เป็นเจ้าสร้างด้วยความกรุณานี่ะสร้างด้วยความรอบรู้รู้สิ่งทุกอย่างนะเมื่อในการทําลายศาสนิกในศาสนาอื่นก็ถือก็โทรยศต่อพระเจ้าเพราะคนเหล่านั้นมันเป็นผิดผลจากพระเจ้าเป็นผลงานของพระเจ้าถือไปทําได้ไงอันนี้คือสิ่งที่ขัดแย้งกันปัญหาที่มันเกิดยมันเกิดจากคน ไม่มีศาสนาแต่อ้างศาสนาเป็นเครื่องมือนะเป็นเครื่องมือเหมือนกับคนที่อ้างขาโมยทรัพย์สินในกรุวัดราชบรุรณะวันก่อนเนี่ยฟังแล้วสลดใจนะฮะยังตะแบงไปตะแบงมายังไม่ยอมรับเลยขโมยทรัพย์สินของแผ่นดินไว้ขนาดนั้นยังไม่รับเลย นั่นคืออะไรคือจริงๆเนี่ยเขาไม่มีศาสนานะอยู่ในหัวใจอะ่ะคนที่มีศาสนากล้าตัดสินระทรูปได้ไงงัดเผาประตูโบสถ์เข้าไปเพื่อโมฏพระพุทธรูปแล้วมากราบพระขอเข้ามามันไม่ทำด้วยใจฮะเพราะถ้าใจเธอมีความเคารพนับถือพระแล้วเธอไม่กล้าตั้งแต่เผาโบสถ์แล้ว พระบรมเป็นาศาสนสถานพระพุทธรูปนั้นเป็นปฏิมาแทนองค์พระพุทธเจ้าเธอเอาไปขายเป็นสินค้าแล้วเธอมากราบพระสงฆ์ทำอะไรอ่ะพระสงฆ์มันเพียงแต่เป็นเด็กรับใช้าศาสนาล้านนั้นเองนะมันเทียบกันไม่ได้หรอกเทียบพระสงฆ์กับพระธรรมพระพุทธพระธรรมกับพระสงฆ์นั้นเทียบกันไม่ได้นอกจากเป็นอริยสงฆ์ แต่เราก็มองในแง่ของการให้อภัยเท่านั้นเองแลวรับสั่งในตอนสุดท้ายว่าดูก่อนพรามวิชาที่สามนี้แลเราบรรลุแล้วในปชิมยามแห่งราษีกำจัดวิชาเสียได้แล้ววิชาก็เกิดขึ้นกำจัดความมืดเสียได้แล้วความสว่างก็เกิดขึ้นเหมือนเมื่อบุคคลไม่ประมาทมีความเพียเพรเผากิเลสในเล้าร้อนส่งตนไปแล้วอยู่เช่นั้นจนัน่รับสั่งว่า ดูกรพราหมณ์บางพราวท่านจะพึงมีความดำริอย่างนี้ว่าแม้วันนี้ปะสมนโคโดมยังไม่ปราศจากราคะยังไม่ปราศจากโทสะยังไม่ปราศจากโมหะแน่นอนเพราะฉะนั้นจึงยังเศษเสนาสนะอันสงัดทั้งที่เป็นป่าและป่าเปลี่ยวอยู่ดังนี้ดูกรพราหม์ข้อนี้ท่านอย่าเห็นอย่างนั้นเราเห็นว่าอำนาจประโยชน์สองอย่างคือเห็นความสุข ความอยู่เป็นสุขในปัจจุบันของตนหนึ่งอนุเค ร, ราะห์ประชุมชนผู้เกิดภายหลังหนึ่งจึงเสพเสนาสนะอันสงัดที่เป็นป่าและป่าเปลี่ยวคือหมายความตนมตัวเป็นแบบอย่างให้แต่นั้นเองไม่ใช่ว่าจะต้องไปซักฟอกกิเลสอะไรนะอย่างพระมหา ก, กราบะที่ท่านทรงทุดงเนี่ยท่านต้องการให้เป็นเมตติแบบอย่างของคนรุ่นหลังเป็นการอนุเคราะห์ต่อชาวโลก เป็นทิฏฐธรรมสุขกวีหารเกอยาการอยู่เป็นสุขในปัจจุบันแต่จริงพระเจ้าอยู่ที่ไหนก็สุขเหมือนเดิมมันแหละเพียงแต่นเนี่ยเพื่ออนุเคราะห์ต่อชาวโลกพัญนชานุสโณีพราหมณ์ก็กราบทูลว่าประชุมชนผู้เกิดหน้าภายหลังนี้เป็นอันว่าท่านพระโคโดมนุเคราะห์อยู่แล้วเพราะท่านเป็นอรหันตสมาสัมพุทธเจ้า จากนั้นก็กลาบทุนสรรเสริญมธรรมเทศนาว่าพระเจ้าทรงแสดงธรรมเนี่ยเหมือนการหายของที่ความทรงแสดงธรรมโดยเนกประยายเหมือนหายของที่ควาําเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางและส่องประทีในที่มืดเพื่อให้คนมีดวงตาได้เห็น <laughs> ก็อย่างที่บอกท่านผู้ฟังไว้ในวันแรกๆนะของพระสูตรว่า ดูข้าความมาชานุาชนนีพราหมนเนี่ยจะมาพบพระพุทธเจ้าครั้งแรกพระใช้คําว่าสมณะโคโดมเขาพเจ้านี้ขอถึงท่านพระโคดมผู้เจริญพระธรรมและพระสงฆ์ภิกษุสงฆ์ว่าเป็นสนะขพท่านพระโคดมผู้เจริญจงจำเข้าพเจ้าว่าเป็นอุบาสกพูดถึงพระรัตนใจเป็นสนะตลอดชีวิตตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เนี่ยเอ็นไม่เป็นเป็นแบบที่เรานํามาใช้ในปัจจุบันในเราตัดข้อความบางอย่างเสียเอสาหังพันเตสุจิระเปริปุตัมปีตังประกวนตังสนังกัตามิธรรมันจะสังคันจะพุทธมามิกามิมังสังโคทาเรตุนะบางทีก็ต่ออัชตะเยปานุเปตังสนังกัตังเป็นข้อความที่โน้อและที่จริงตั้งแต่ ตะบุษะาพาันิกะท่านประกาศตนถึงพระพุทธเจ้ามาเนี่ยคือเราโคดข้อความตอนนั้นออกมาจากพระไยบิดกแล้วก็นามาใช้ไม่ว่าใครๆจะนึกจะทำอะไรก็ทำนะฮะในประสูนร์นี้ท่านผู้ฟังจะเห็นถึงหลักการสำคัญในพระพุทธศาสนาลำดับขั้นตอนของการสัตรูและก็ผลที่เกิดขึ้นจากการศัรูแสดงสภาวะถึงนิพพานว่าไม่มีภพไม่มีชาต ไม่มีสังขารไม่มีดินแดนไม่มีเมืองแก้วไม่มีอาญตณนะไม่มีสุขาวดีพุทธกเกษตรอะไรอย่างที่เรามาพูดพูดกันเพราะนั้นคือชาติตัวนิพพานในดับตัวชาติคือเกิดชาติสิ้นแล้วพระมจรรย์ได้อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำเสร็จแล้วเป็นการหลุดพ้นที่ไม่กำเริบอีกต่อไป ส่วนเราไม่สร้างความสับสนเนี่ยคือจะปฏิบัติเพื่อสวรรค์ก็ได้เพื่อพรหมโลกก็ได้เขาไม่ได้ว่ากันแต่อย่าไปเรียกว่า น, นิพพานมันสับสนมันสับสนว่านิพพานในความหมายของพุทธมันคืออะไรมันต้องยุติเป็นหนึ่งเดียวกันเดี๋ยวนี้ยต่างคนต่างก็ว่าต่างคนต่างอธิบายอั้นจับหลักที่ดูพระไตรปิฎก แม้จะเก็บความถอดความอะไรก็ตามแต่ว่าเนื้อหาสาระนี่ต้องยุติกันลงกันสมกันกับข้อความในพระไตรปิฎดดกเป็นการเชิดชูธรรมะบูชาธรรมะของพระผู้มีพระภาคยา้าสืบสารอายุพระพุทธศาสนาให้ดำรงคงอยู่อย่างถูกต้องสมบูรณ์ต้องฟังเท่าไหร่